5. ธรรมะคือการเรียนรู้วงเล็บเปิดยีสาพฤศจิกายน 2549. หวงเล็บปิดแท้จริงการปฏิบัติธรรมนั้นคือการเรียนรู้ว่าธรรมดาของกายของใจเป็นอย่างไรจนกระทั่งยอมรับความเป็นธรรมดาของเขาใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาใจจะอยู่กับธรรมดาที่สุดเลย